กับผมเบญชพลพิมพ์สุธรรมได้เข้าไปเดบุตธรรมกับท่านหลวงพ่อมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สแต่ละครั้งก็ผลที่ออกมาก็แตกต่างกันไปตามเหตุตามวันละครั้งนี้เป็นครั้งที่สสิ่งที่เห็นชัดจากการปฏิบัติครั้งนี้ ด้านร่างกายก็รู้สึกดีขึ้นที่ไม่ได้มาปฏิบัติถ้าอยู่ที่บ้านร่างกายก็จะจะเสื่อมโทรมกว่า น, นี้แต่ได้มาอยู่ปฏิบัติกับท่านก็ร่างกายก็จะดีขึ้นไม่ง่วงเหงาหานอนแล้วก็เดินเหินค่องแคล่วว่องไวกว่าที่ควรจะเป็น ที่ไม่ได้มาธิบัติส่วนทางธรรมนั้นก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะผมนี่มีปัญญาไม่ค่อยมากคอยคิดตามอารมณ์ไม่ค่อยทันนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่สองมาพอเห็นหน้าคุณมนก็ฟุ้งไปตลอดเลยทำไม ฝาแฝดไม่มาด้วยซึ่งไม่หน้าที่ของผมที่จะไปคิดอย่างนั้นนะอันนี้เป็นเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบครับคิดต่อคิดแค่นั้นก็ยังไม่หยุดดิครับคงจะดูแลคุณแม่มั้งสร้างสร้างจินตนาการไปอย่างนั้นน่ะคุณแม่คงไม่มีคนดูแลอ้าวแล้วเขาก่อนทําไมมาด้วยกันทั้งสองคนล่ะอคิดไปเองครับซึ่งไม่มีหน้าที่จะไปคิดอย่างนั้นนะอันนี้มันเกิดเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบ เราก็คิดต่อๆไปเรื่อยๆอันนี้ผมหาสาเหตุไม่ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขอยู่แต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเรื่องอาหารการกินก็พยายามตัดใจแต่พอ ตั้งใจตั้งแต่อยู่ในให้ยไน่สาลาเนี่ยนะครับพอผ่านประตูไปเข้าประตูเห็นอาหารแค่นั้ น, นความคิดเปลี่ยนไปหมดอันนี้ก็ก็จุดอ่อนอยู่ที่นี่เหมือนกันก็พยายามจะทานอาหารแต่ น, น้อยเพราะหลวงพ่อบอกว่าอาหารมั น, มนควรจะทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อการปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมไม่ควรจะ ยุ่งกับเรื่องอาหารหรือเรื่องทางเอตกามลมอะไรทั้งนั้นนะครับกามคือวลารค า, าคาราคาชอบตักมากมากเงี้ยครับเห็นอะไรสัญญาเก่าเกิดขึ้นมาก็เตือนให้เราอชอบแล้วก็ตักตามใจชอบโดยโดยโดยลืมที่ลืมคำที่หลวงพ่อเตือนไว้อันนี้ก็ไม่ดีแล้วผมพยายามจะแก้ไขยอยู่ครับ ส่วนปัญญาตัวอื่นสติปัญญาผมคิดว่าผมดีขึ้นอย่างเมื่อวานนี้การเดินการนั่งรู้สึกโล่งปร่งเบาไม่เหนื่อยมันเป็นพ่ออะไรผมก็ไม่ทราบผมได้เรียนหลวงพ่อไปแล้วนี่ผมจะต้องค้นหาปัญญาตัวนี้ทำไมผมไม่ทราบ แล้วอีกอย่างการช่วงระหว่างเปลี่ยนแปลงจากเบาเป็นหนักหนักเป็นเบาหรือว่าเย็นเย็นเป็นร้อนร้อนเป็นหนาวหนักเป็นเบาสุขทุกข์ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวกลางกลางอ่ะผมไม่เคยเห็นสักครั้งมันมันจะจะไปรู้ผลก่อนเลยระหว่างช่วงเปลี่ยนหรือว่าช่วงทานเฟอร์ระหว่างสุขไปทุกข์ทุกไปสุข หนักไปเบาเบาไปหนักเนีครับไม่เห็นไม่เห็นชัดแต่ขอสรุปเลยว่าการปฏิบัติครั้งนี้ก็ดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะครั้งที่หนึ่งที่สองหรือที่สามผมพยายามจะสร้างสติปัญญาให้มีเพ้่มากกว่านี้เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเป็นอะไรปัญญาจะได้เกิดจะได้ วันรุ่ผลตามเป้าหมายที่ผมตั้งใจไว้ก็ขอก่าวน้ำส ก, การหลวงพ่อเท่านี้ครับแล้วคือก่อนหน้าต้องเล่าให้นูนว่าก่อนหน้าเนียยมเคยไปปฏิบัติกับโกงก้าและหลังจากนั้นเนี่ยเรียกว่าต้องยอมรับว่าติดสมถะแล้วก็ไม่เข้าใจถึงคำว่า